ไม่รู้ไวรัสม <time> ันไปตามเสียงได้่ะไปได้ของจะยุ่งนะพูดไม่ได้เข้าไปทางไมโครโฟนแล้วออกทางลำโพงแล้วก็ไปเข้าในหูคนไปได้มันเป็นไวรัสทางใจเสียงไขพูดขึ้นมาก็เข้าไปถึงหู พอถึงหูใจก็ตกใจทุกข์ขึ้นมาเป็นไวรัสทางใจแต่ไวรัสทางร่างกายคงไปไม่ได้ถึงแม้ในปากนี่จะมีไวรัสพูดออกไปทางไมโครโฟนมันก็เข้าไปในไมโครโฟนไม่ได้แล้วไปออกลาโพงแล้วก็ออกไปตามเสียงเข้าไปในหูคนะ ถ้าเข้าได้ก็คงพูดไม่ได้แล้วทรม า, าเวลาที่ใจมีความทุกข์ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยที่จะใช้ในการ กำจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจให้ดับลงไปได้อย่างราบคาบไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ใจของเราให้หายไปได้อย่างถาวรมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ที่เราเรียกว่าพระรัตนตรยัยที่เราถือเป็นสาระเป็นที่พึ่งทางใจบุษทังสารนังกชามิธรรมสารนังกชามิสังคังสารนังกชามิถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจใจของเราจะไม่วิตก ไม่กังวลไม่หวาดกลัวไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเช่นเหตุการณ์ในตอนนี้คือการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่โคโรโรควิด -19 ถ้าใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะใจจะรู้สึกจะรู้สึกเฉยๆ จะไม่ตต้นจะไม่ตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่พระรัตนตรัยนี้ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคของทางร่างกายมีแบ่งไว้เป็นสองสองส่วนด้วยกันยารักษาโรคนี้ ถ้าอยู่นอกร่างกายก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้จะให้ยารักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายก็ต้องกินยาเข้าไปในร่างกายหรือฉีดยาเข้าไปในร่างกายยาถึงจะสามารถออกฤทธ์ออกผลได้ทาหน้าที่ ข่าเชื้อโรคที่มีอยู่ภายในร่างกายให้หายไปได้ฉันใดพระรันตนตยก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจก็ต้องเอายานี้เข้าไปข้างในใจถึงจะสามารถรักษาโรคภัยของใจได้ พระรัตนตรที่อยู่ข้างนอกนี่ยังไม่สามารถที่จะรักษาใจที่ทุกข์ให้หายทุกข์ได้เช่นพระพุทธเจ้าที่อยู่ที่ประทับอยู่ที่ประเทศอินเดียตอนนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วอยู่ก็เหลือแต่พระธาตุที่บรรจุไว้ในพุทธคยา อันนี้เราเรียกว่าพระพุทธรัตนะที่อยู่ภายนอกใจส่วนพระธรรมรัตนะที่อยู่ภายนอกใจคืออะไรก็คือคำสั่งคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกในหนังสือธรรมะต่างๆในสื่อธรรมะต่างๆเป็นธรรมรัตนะที่อยู่ภายนอก ยังไม่สามารถทำให้ความทุกข์ในใจของพวกเราหายไปได้ไปกราบพระพุทธรูปตามตามวัดวาต่างๆหรือไปกราบพระธาตุที่ประเทศอินเดียก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจเราได้อ่านหนังสือธรรมะต่างๆฟังเทศฟังธรรมต่างๆ ก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจของเราได้ใบกาบไหว้พระสุปฏิปันโนทั้งหลายพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระอริยสงสาวู ข, ของพระพุทธเจ้าตามวัดต่างๆก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ทางใจให้หายไปได้เพราะยังเป็น พรัตนาตรตภายนอกอยู่ถ้าเป็นยาก็เป็นยาที่ยังไม่ได้รับประทานกันนั่นเองถึงแม้ว่าจะเป็นยาวิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าไม่กินยาเข้าไปในร่างกายยาก็ไม่สามารถทำหน้าที่รักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้เช่นเดียวกับพระรัตนาตาภายนอก เช่นพระพุทธรูปต่างๆพระบรมธาตุต่างๆที่เราไปกราบไหว้กันพระอริยสงสาวกที่อยู่ตามสำนักต่างๆที่เราไปกราบไหว้กันพระธรรมคำสั่งคำสอนที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็ยังไม่สามารถที่จะมา ดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้เพราะเป็นเหมือนยาที่ยังไม่ได้รับประทานถ้าอยากจะให้พระรันตนตรัยนี้มาดับความทุกข์ภายในใจของเราเราก็ต้องน้อมเอาพระรันตนตรัยเข้ามาสู่ใจของพวกเราเรียกว่าโอปนยิโก้น้อมเข้ามา รับประทานธรรมโอสถ ร, รับประทานยาของธรรมยาของธรรมหรือธรรมโอสถนี้วิธีจะรับประทานรับประทานอย่างไรก็รับประทานด้วยการศึกษาพระธรรมคสาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระโอษของพระพุทธเจ้าก็ดี จากพระอริยสงสาวก ข, ของพระพุทธเจ้ากด็ดีนี่เป็นการเริ่มรับประทานยาขั้นต้นก็ต้องศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนวิธีดับความทุกข์ใจว่าถ้ามีความทุกข์ใจอยากจะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี้ให้ทำอย่างไรพอ เราได้ศึกษาแล้วขั้นที่สองเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาเหมือนกับการรับประทานยาของทางร่างกายเบื้องต้นเราก็รับยามาจากหมอหมอก็จะสั่งมีใบกำกั บ, ก บ, กบยามาด้วย ว่ากินยาครั้งละกี่เม็ดวันละกี่ครัง้งกินกี่วันเนี่ยอันนี้เราต้องศึกษาถ้ารับยาของหมอมาแล้วไม่กินตามที่หมอสั่งกินตะกินผิดคาสั่งก็อาจจะไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้เช่นกินน้อยไปหมอบอกให้กินครั้งละสามเม็ด สี่เวลาหลังอาหารสามมื้อแล้วก็ก่อนนอนเราไปกินเม็ดเดียวตอนก่อนนอนอย่างนี้ถ้าเรากินแบบนี้ยาก็มีกำลังไม่พอที่จะไปรักษาโรคของร่างกายได้รักษาก็ไม่หายหรือถ้าเรากินมากเกินไปอยากให้หายเร็ว กินมันหมดหลยครั้งเดียวหมอให้มาถุงหนึ่งซัดเขาอ่ามันเป็นยาพิเศษก็ต้องกินมันทีเดียวให้มันรู้แล้วรู้าดไปถ้ามันจะหายก็หายทั้งร่างกายเนะก็ตายถ้าร่างกายตายแล้วทีนี้โลกก็ต้องตายตามร่างกายไปก็หายเหมือนกันแต่เป็นการหายแบบที่เราไม่อยากให้มันหาย เราอยากจะให้โรคหายแต่เราไม่ให้ร่างกายมันตายไปด้วยหายไปด้วยนี่คือการกินยาที่ถูกต้องต้องศึกษาคำสั่งของหมอต้องดูใบกำกับยาทุกครั้งเวลาที่จะกินยาว่ายาชนิดนี้หมอสั่งให้กินกี่เม็ดกี่ครั้งกินก่อนหรือหลังอาหาร ว่ามันมีผลไม่เหมือนกันนั่นเองแต่เราคิดว่าเหมือนกันกินยังไงก็ได้กี่เกียจมาดูกินมันทีเดียวให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปเลยหมอเอามาให้ก็นั่งกรอกใส่ปากกืนน้งเข้าไปเดี๋ยวก็ไปเข้าห้องไอซียอฉันได้ยาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้น การที่เราจะเอายาธรมรมโอสถนี้มารักษาโรคของใจของพวกเราเราต้องกินตามใบสั่งของหมอของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกรุอสิ่งที่เราต้องทําเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราต้องทําอะไรเราต้องภาวนาอืม บัติจิตตะภาวนาเท่านั้นทำบุญทาทานอย่างเดียวไม่ได้ไม่พอรักษาศีลอย่างเดียวไม่ได้ไม่พอต้องภาวนาถ้าได้ทำบุญแล้วได้รักษาศีลแล้วก็ต้องภาวนาเพราะวิทยาอยู่ที่การภาวนาส่วนทำบุญรักษาศีลนี่เป็นเหมือนกับ ส่วนผสมที่ทำให้กินยาได้ง่ายขึ้นยาต้องมีน้ำตาลเครือบเพราะมันขมเวลาจะกินยาบางทีต้องมีน้ำตาลของหวานผสมไว้ถึงจะกินได้เช่นยาน้ำเนี่ยบางทีก็าต้องใส่ของหวานเข้าไปแต่ตัวฤิยาไม่ใช่อยู่ที่ตัวความหวานอยู่อยู่ที่ตัวขม การภาวนานี่มันขมและภาวนายากถ้าไม่มีการทำทานไม่มีการรักษาศีลเป็นการเปิดทางให้กับการภาวนาอย่างถ้าเรายังเอาเงินไปเที่ยวอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีเวลาไปภาวนากันเราก็ต้องเอาเงินไปทำบุญแทนจะได้ไม่ไปเที่ยวไปทำบุญที่วัดที่เราจะไปภาวนานั่นแหละ ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบุญละนซ่อมแซมหรือช่วยสร้างที่พักปฏิบัติธรรมเพราะคนเรามีกำลังเงินทรัพย์ไม่เท่ากันคนไม่มีก็จะไม่สามารถสร้างที่พักได้ต้องอาศัยคนที่มีช่วยสร้างให้แล้วจะได้ให้ให้คนที่ไม่มีได้มีที่พักปฏิบัติธรรมด้วย ้ต้องทำบุญทำทานสร้างสถานที่พักที่ปฏิบัติธรรมกันแล้วต้องรักษาศีลแปดกันขึ้นไปก่อนถ้าไม่รักษาศีลแปดก็จะไปเที่ยวกันได้ไปดูหนังฟังเพลงไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ก็จะไม่มีเวลามาภาวนามากินยา ธรรมโอสถคือสติและปัญญาที่เป็นตัวยาที่จะมาลาลายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หายไปให้หมดไปได้นัในเบื้องต้นถ้าเรายังใช้เงินไปเที่ยวอยู่ใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่ใช้เงินไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆอยู่ให้เปลี่ยนวิธีใช้เงินมา ใช้กับการทําบุญสนับสนุนการปฏิบัติธรรมไปช่วยสร้างที่พักถ้าไม่มีที่พักไปช่วยจ่ายข่าน้ําค่าไฟค่าบุรณนะะซ่อมแซมสถานที่พักที่ปฏิบัติเพื่อที่จะได้มีที่วิเวกที่สงบไว้ใช้ในการปฏิบัติธรรมคือการภาวนา เพื่อเป็นการรับประทานธรรมโอสถคือสติและปัญญาธรรมโอสถตัวทำตัวสำคัญของธรรมโอสถก็มีสองตัวนี่คือสติธรรมกับปัญญาธรรมถ้ามีสติมีปัญญาแล้วความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี่จะหายไปหมดเลยสติและปัญญานี้ ได้รับการพิสูจน์จากพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายแล้วว่าเป็นยาที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นใจของใครก็ตามจะเป็นใจของผู้หญิงใจของผู้ชายใจของนักบวชใจของคารวะผู้ครองเรือน ใจของเด็กใจของผู้ใหญ่ต้องมีสติปัญญาเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้ไม่เชื่อลองไปปฏิบัติดูสร้างสติขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาขั้นต้นก็เอาสติก่อนเอาทีละตัวสร้างทีละตัว ต้องไปปีกวิเวกไปหาสถานที่ปฏิบัติที่สงบแล้วก็หยุดการกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไปถือศีลแปดไปไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ดูหนังฟังเพลงไม่เสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ไม่เสริมสวยความงามทางร่างกายไม่หลับนอนมากเกินไปไม่หลับนอนบนเตียงสารานเตียงที่ยิ่ใหญ่โตโด้วยความสุขความสบายเพราะว่าที่นอ่งที่นอนใหญ่นี้ไม่ได้หมายความว่าขนาดก็หมายถึงความสารานใหญ่โตในความสารานเพราะถ้ามันสาราญ้นมันจะติด มันจะอยากนอนอยากนั่งมันจะไม่อยากไปปฏิบัติธรรมเลยต้องให้นอนบนที่นั่งที่นอนที่ไม่สาํารานะกินนอนบนพื้นไม้แข็งแข็งนอนกับพื้นเี่ปู ด, ด้วยผ้านึอด้วยเสือ่ออาจจะมีเบาะกันความเย็นบางๆเพื่อกันไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะความเย็นมันจะทําให้ร่างกายนี้ มีภูมิต้านทานน้อยทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายก็เลยต้องมีเบาะบางๆงหรือผ้าถ้าไม่มีเบาก็ใช้ผ้าหม่มผ้าอะไรปรูกันความเย็นแต่ไม่ได้โป้เพื่อให้นอนสุขสบายเพราะไม่ต้องการให้นอนสุขสบายเพราะจะนอนมากเกินไปให้นอน <c oughs> ให้นอนแบบ พอต่อความต้องการของร่างกายร่างกายเวลาง่วงมากๆนี่นอนตรงไหนก็หลับแล้วพอได้พักผ่อนพอมันก็จะตื่นขึ้นมาถ้านอนบนเตียงสํารานมันจะไม่อยากจะลุกเวลาตื่นขึ้นมามันจะขอนอนต่ออก็จะเสียเวลาเสียเวลาอันมีค่าที่เราจะเอามาใช้ในการรับประทานยา คือการเจริญสติเจริญปัญญานั่นเองเราจึงต้องนอนบนที่นั่งที่นอนที่ไม่สำรานไม่มโหลานด้วยความสุขให้มันพอนอนให้ร่างกายพักผ่อนหลับนอนได้ก็พอร่างกายต้องการพักจริงๆสี่ห้าชั่วโมงก็พอเต่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนฟูกหนาะเนะตียงสำราน เตียงสำลานี่มีหลายแบบก็ เ, เห็นเตียงที่เป็นเบาะน้ําหมนี่นอนแล้วแหม่กิ้งไปกิ้งมาม่เยหมือนอยู่บนคลื่นเนี่ยมันจะสบายเกินไปมันจะไม่อยากจะลุกมันจะขี้เกียจภาวนาปัญหาอยู่ตรงนั้นถ้านอนบนเตียงที่โมโหรานที่สํารานเต็มยิ่งใหญ่ด้วยความสํารานด้วยความสุขด้วยความสบาย ถึงต้องอย่านอนบนที่ที่ที่นั่งที่นอนใหญ่นี่เรามาแปลว่าเป็ น, ปนขนาดมันก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยที่นอนที่เป็นไม้แข็งแข็งใหญ่เท่ากับบ้านมันก็มันก็นอนไม่สบายอยอย่งนั้นขอให้เราเข้าใจควาว่าใหญ่ในที่นี้หมายถึงใหญ่ด้วยความสุขความสบายไม่ต้องการให้มันมีความสุขความสบายมากเกินไป เพราะมันจะทำให้ไม่อยากจะลุกขึ้นมาภาวนาพอเราถือศีลแปได้แล้วทีนี้เราก็จะมีเวลาว่างหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรแลวเพราะไม่มีอะไรให้ทำนอกจากเดินจงกรมนั่งสมาธิด้วยสติขั้นตอนนี้เราเอาสติเป็นเป้าของการปฏิบัติไม่ว่าเราจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทำอะไร ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี่ขอให้ถือการตั้งสติเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติเลยการปฏิบัติไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราจะต้องเดินจงกรมอย่างเดียวไม่ว่าเราทำอะไรนี้เราต้องถือว่าเรากำลังปฏิบัติแล้วถ้าเราจะปฏิบัติเราต้องมีสติอยู่กับการกระทาของเราทุกอิริยาบถ ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็มีสติดูว่าตอนนี้อริยาบทอยู่ร่างกายอยู่ในอริยาบทไหนอยังอยู่ในท่านอนอยู่อตอนนี้จะขยับลุกขึ้นมาแล้วต้องสติตามรูท้ทันทันทะีนะอย่าไม่ใช่ร่างกายลุกแต่ใจไปถึงนู่นแล้วถึงอาหารเช้าเราอยู่ตรงไหนแล้วจะกินอะไรแล้ว อ, อนั้นแสดงว่าไม่มีสติแล้ว ดึงมันกลับมาก่อนใจเย็นๆพี่เดี๋ยวก็ได้กินตอนนี้พี่อยู่ตรงไหนร่างกายอยู่ตรงไหนกำลังทำอะไรกำลังลุกขึ้นมาจากที่นอนกำลังยืนกำลังเดินกำลังจะไปเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าไ ป, นไปอาบน้ำอาบท่าไปทำกิจอะไรต่างๆให้อยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดถึงอนาคต วันนี้วันที่เท่าไหร่จะไปทำธุระกับใครที่ไหนมีอะไรอย่าไปคิดถ้าไปปฏิบัติธรรมไม่มีภารกิจอะไรภารกิจอย่างเดียวก็คือดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้ไปอดีตอย่าให้ไปอนาคตเพราะสติก็คือการมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันนี่แหละถึงจะเรียกว่ามีสติไม่ให้จิตไหลไปตามกับกระแสความคิดที่จะดึงไปคิดถึงอดีต ที่จะดึงไปที่จะคิดไปทางอนาคตเนี่ยให้ดึงกลับมาที่ร่างกายกายยะกตาสติเนี่ยให้มืิมีสติอยู่ที่ร่างกายตั้งสติที่ร่างกายไม่ว่าร่างกายทำอะไรต้องรู้ทันทีรูอว่ากาลังทําอะไรกําลังเดินกําลังก้าวเท้ า, า, ทาซ้ายก้าวเท้าวขวากาลังหยิบน้ำขึ้นมาล่างหน้ากาลัง หยิบแปลงสีฟันเอาเข้าปากกำลังแปลงฟันกำลังทำอะไรทุกิริยาบทเลยต้องเป็นปัจจุบันกำมันทุกทุกป ท, ทุกขณะเลยอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายนี่เป็นวิธีเจริญสติอีกวิธีหนึ่งถ้าไม่ชอบดูกายกตาสติ ก็ใช้พุทธานุสติแทนก็ได้พอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลยบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดถึงอดีตอย่าปล่อยให้มันคิดถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันถ้าไปปฏิบัติมันไม่มีความจำเป็นกับอนาคตไม่มีความจำเป็นกับอดีตเพราะว่าเราต้องการให้จิตมันอยู่ปัจจุบันให้มันหยุดคิดเนี่ย ให้มันนิ่งให้มันสักแต่ว่ารู้จะอยู่นิ่งสักแต่ว่ารู้ได้ต้องมีพุทธโธพุทธโธแล้อมีกายะกะตาสติมีการเฝ้าดูร่างกายทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวถ้าเราทำได้อย่างต่อเ น, นื่องพอเราสิ็ ภ, ภารกิจที่เราต้องทำให้กับร่างกายแล้วเราก็จะได้มานั่งสมาธิเลยหรือมาเดินจงกรมก่อน ถ้าหลังจากการรับประทานอาหารเสร็จมันถ้านั่งมันจะหลับก็อยากพึ่งไปนั่งเดินย่อยอาหารไปก่อนเดินจงกรมย่อยอาหารไปก่อนเวลาเดินก็ต้องมีสติเหมือนเดิมเดินก็ต้องคุดโทไปหรือดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปเดินช้าเดินเร็วได้ทั้งนั้นแล้วแต่ความพอใจถ้าเดินช้ามันง่วงก็เดินให้มันเร็วหน่อย ก็ให้มันหายง่วงเอถ้าเดินแร็วแล้วมันพฟุ้งร้างก็เดินให้ช้าหน่อยเอแล้วแต่วาระของจิตบางทีจิตก็ฟุ้งบางทีจิตก็ง่วงก็ต้องมีวิธีแก้แก้ความง่วงแก้ความฟุ้งนี่คือขั้นแรกของการปฏิบัติเนี่ยคือการสร้างสติขึ้นมาก่อนเพราะสตินี้จะเป็นยา ที่ทำให้ใจเราหายทุกข์ได้ก่อนได้เร็วเป็นเหมือนยาหม่องพอจะเป็นอะไรขึ้นมาหายาหม่องมาทาก่อนเสร็จแล้วค่อยไปหาหาหมอไปถามว่าเป็นอะไรแพ้อะไรแั้วหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ก็เอายาแก้ภูมิแพ้มากินต่อแต่เบื้องต้นนี้เอายาที่มันใกล้มือที่สุดที่ที่สามารถรักษาได้ ชั่วข่าวก็คือสตินใช้สติก่อนถ้าจิตเริ่มทุกข์กับเริ่มทุกข์กับาการระบาดของโลกนี้แสดงว่าจิตไม่ได้นิ่งะไม่ได้สงบนจิตกําลังคิดฟุ้งอยู่กับเรื่องโลกระบาดกนะ็ต้องใช้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือถ้าพุทโธไม่ได้สวดมนต์ไปได้ก็สวดมนต์ไปสวดอิติปิโสไป ส่วนไปภายในใจอย่าออกเสียงโดยออกเสียงก็ออกเบาๆอย่าไปส่งเสียงให้รบกวนผู้อื่นส่วนไปแล้วมันจะห้ามความคิดเกี่ยวกับโรคระบาดได้พอมันไม่คิดปั๊บความเครียดที่เกิดจากโรคระบาดมันก็จะหายไปใจก็จะกลับมาเป็นปกติไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย นี่คือขั้นแรกถ้ามีสติเพียงแต่พูดโทรไปไม่กี่นาทีความฟุ้งซ่านความเครียดจะหายไปทันทีแล้วถ้าอยากจะให้จิตนิ่งสงบเพื่อให้มีความสุขมากกว่าการเจริญสติก็ต้องนั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วก็ถ้า ใช้กายยะกะตาสติคือดูอิริยาบทของร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เปลี่ยนมาดูที่อานาปนาสติมาดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกแทนถ้าดูได้ถ้าดูไม่ได้ก็ใช้ทำบริกรรมพุทโธไปถ้าบริกรรมพุทโธไม่ได้ก็สวดอิติปิโสไปถ้าไม่ฝึกมาก่อนจะทําไม่ได้น ต้องฝึกสติมาก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งสวดอิติปิโสไปบริกรรมพุทโธไปดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปถ้าได้ทำอย่างนี้แล้วจะมีสติพอเวลามานั่งก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกได้เลยหรือถ้าไม่ดูลมหายใจชอบพุทโธก็พุทโธไปได้เลยแล้วพอพุทโธไปแล้วร่างกายนั่งอยู่เฉย เดี๋ยวจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบเองพะจิตไม่มีความคิดที่มาดึงจิตให้อคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอไม่มีความคิดจิตมันก็จะหลุดจากร่างกายมันจะแยกออกจากร่างกายมันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบดังนั้นร่างกายก็เหมือนหายไปหรือถ้ายังอยู่ จิตก็ไม่สนใจไม่มีความผูกพันกับร่างกายตอนนั้นร่างกายจะมีการอาการเจ็บเรือปวดอย่างไรจิตจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับอาการเจ็บปวดของร่างกายจะรู้สึกเฉยเฉยพะจิตได้เข้าสู่สมาธิเข้าสู่อุเบกขาคือตอนนั้นจิตจะเป็นกลางไม่มีอารมณ์ ไม่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่ว่าอะไรจะมีเหตุการณ์มากระทบกับจิตใจจิตใจจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ตื่นเต้นตกใจไม่หวาดกลัวไม่ดีอกดีใจนี่แหละคือจุดที่เราต้องการจะไปด้วยสติถ้าเรามีจุดถึงจุดนี้แล้ว เรามีจุดที่เราจะเป็นจุดยืนของเราที่จะทำให้เรานี่ไม่เสียหลักถ้าให้มีพายุใหญ่ขนาดไหนมาพัดถ้าจิตอยู่บนจุดนี้แล้วมันจะพัดจิตไปไม่ได้พายุนี้ก็หมายถึงพายุทางด้านอารมณ์ทางจิตใจจะมีมลมลสมทางจิตใจร้ายแรงขนาดไหนก็ตาม มาเขย่ามาขยา่ ม, ขยมจิตใจถ้าเรายืนอยู่บนจุดนี้แล้วปลอดภัยเนี่ยจะเป็นจุดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเหมือนกับจุดที่อยู่ตรงกลางของแผ่นเสียงเคยเห็นไหมแผ่นเสียงนี่มันหมุนนะถ้าเราไปหยุดยืนอยู่ตร ง, รงกลางของของแผ่นเสียงแล้วเราจะไม่ไม่หมุนไปตามแผ่นเสียงถ้าอยู่ปลายแผ่นเสียงนี้มันจะวิ่งครอบ แต่พอไปอยู่งรงกลางแล้วมันจะหมุนรอบตัวของมันเองนะอันนี้จิตก็เหมือนกันถ้าจิตไปสู่ฐานของจิตนี่นี่ที่เรียกว่าฐานของจิตเนี่ยคือความสงบเต็มรอยอัปปนาสมาธิอุเบกขานั่นนะคือฐานของจิตฐานที่จะทำให้จิตนี่แกล่งแข็งไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนจิตได้ แต่ถ้ามันเข้าไปได้ด้วยสมาธินี้มันก็จะอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวพอสติที่ส่งเข้าไปหมดกำลังกิเลสตัณหาที่อยากจะผลักดันจิตให้ออกมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะดึงจิตให้ออกจากสมาธิมาขณะที่ออกมาใหม่ๆนี่ความเป็นกลางของจิตก็ยังมีอยู่แต่จะเริ่มเสื่อมลงไป เหมือนกับน้ำเย็นที่เราได้แช่ไว้ในตู้เย็นเวลาแช่อยู่ในตู้เย็นน้ำเย็นเฉียบนะถึงแม้เวลาที่เอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆน้ำมันก็ยังเย็นอยู่แต่ถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวน้ำความเย็นของน้ำก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าอยากจะให้น้ำเย็นใหม่ก็ต้องเอาน้ำกลับเข้าไปในตู้เย็นใหม่ ันไในจิตก็เหมือนกันเวลาเข้าไปในสมาธิก็เหมือนกับเอาจิตเข้าไปในตู้เย็นนะพออยู่ในสมาธิจิตจะเย็นจะสบายจะรู้สึกเฉยๆกับเหตุการณ์ของโลกระบาดต่างๆมันระบาดก็ระบาดไปทาไงได้ล่ะเราไปหยุดมันได้หรือเปล่าหยุดไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปเหมือนฝนตกแดดออกเหมือนลมพายุเนี่ย เวลามันมาเราจะทำาัไงก็ต้องปล่อยให้มันพัดไปจนกว่ามันจะหมดกำลังของมันไปทายุของโลกระบาดก็เหมือนเป็นทายุอย่างที่เราทำอะไรไม่ได้ไปคิดไปเครียดกับมันไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ปล่อยให้มันเป็นตปของมันไปเรามีหน้าที่ดูแลร่างกายของเราดูแลจิตใจของเราเราก็ทำหน้าที่ของเราไป จิตใจของเราก็ทําให้มันสงบด้วยสติก็ไปในสมาธิให้มันเป็นอุเบกขาแล้วมันจะไม่วุ่นวายไปกับาการระบาดของโรคระบาดมันระบาดก็ระบาดไปเราทําอะไรได้กับร่างกายก็ทําไปใส่หน้ากากได้ก็ใส่ไปล้างมือด้วยสบู่ได้ก็ล้างไปเช็ดมือด้วยน้ำํำยาเช็ดมือก็เช็ดไป หลีกเลี่ยงไปคุกคีกันก็หลีกเลี่ยงกันไปอยู่บ้านได้ก็อยู่ไปไปปีกวิเวกได้อยู่คนเดียวได้สิบสี่วันปลอดภัยนะตอนนี้สถานที่ปฏิบัติธรรมคนจะจองไปกันเยอะนะไปปีกวิเวกดีกว่าคนที่ปีกวิเวกเป็นเขาไปกันและไปอยู่คนเดียวจะได้ไม่ต้องไปรับเชื้อจากใครมาอันนี้ ก็ทำได้เท่าที่เราทำได้เนี่ยแต่เราก็ปิดวิเวกแต่เราไม่ไม่วิเวกมีคนมันเข้ามาหาจะวิเวกจะสั่งไม่ให้มาก็ไม่ได้เดี๋ยวหาว่า่วงบุญก็ต้องอมาก็มาแต่อย่าเอาอย่าเอาเพื่อนมาด้วยก็แล้วกันอย่าเอาเชื้อมาด้วยถ้ารู้ว่าติดเชื้อก็ไปปิดวิเวกแยกตัวออก อย่าไปอยู่ใกล้ใครพยายามแต่ถ้ายังไม่มีเชื้อไม่เป็นไรมาได้ถ้ายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่มีอาการไอไม่มีอาการเจ็บคอก็ยังถือว่าไม่เป็นอะไรถ้าเริ่มเป็นก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์ว่าต้องตรวจตดวเชื้อเลยไหมถ้าหมอบอกตรวจก็ตรวจถ้ามีอาการเ็าบอกเ็าตรวจฟรีให้ แต่ถ้ายังไม่มีอาการไปให้เขาตรวจเขาคิดเป็นพันเป็นหมื่นนะแต่เนนี่ได้ข่าวว่ามีผลวิธีตรวจราคาแค่ห้าร้อยคือการตรวจมันดีอย่างไรจะได้รู้ว่าแพะเป็นใครเป็นแพ้ใครเป็นแก่จะได้แยกมันออกจากกันถ้าไม่ตรวจไม่ไ ร, รู้ใครเป็นแพ้ใครเป็นแก่เดี๋ยวมันเอ า, เ, อาเชื่อมาแพร่ให้กับกัน บางทีมันไม่มีอาการแต่มันมีมันมีเชื้ออยู่ถ้าตรวจได้ก็ดีจะได้แยกแยะออกจากแกะได้พวกที่มีเชื้อก็จับไปอยู่ศูนย์ศูนย์รักษาโรคโควิดต่อไปก็อาจจะต้องสร้างศูนย์สร้างโรงพยาบาลสนามอย่างเช่นสนามกีฬาอย่างเงี้ยหัวหมากอินดอร์สเตเดียมเนี่ยอาจจะทําเป็นที่ให้คนไปพักวัดคนมีโรคอยู่ด้วยกันไม่เป็นไรละ แต่เอาคนที่มีโลกไปอยู่กับคนไม่มีโรกเดี๋ยวจะเอาโลกไปแบ่งให้คนอื่นกันอย่าไปแช่นะโลกอ ย, อย่างอื่นแชร์ได้อ ย, อย่างอยังอื่นไลค์ได้ชอบได้แต่อย่าไปชอบอย่าไปชอบโควิดสิบเก้าแล้วก็แชร์โควิดสิบเก้าไม่เอานะที่จีนเขาสร้างโรงพยาบาลเนี่ย โรงพยาบาลสิบวันพันเตียงนะสร้างนะ้วใครเป็นโลกก็จับไปอยู่ที่โรงพยาบาลนี่แหละแ ย, ยกไปเลยแล้วไปตามจับตามบ้านด้วยก็ไปตรวจตามาพารมันตามคอนโดไปตรวจใครมีไข้นจับไปเลยเขาไม่ให้อยู่กับคนที่ไม่มีไข่เขาไม่ต้องการให้แพร่ก็ต้องการยุติการแพร่กระจายของโรคนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมทำกัน เราต้องทํากันทํานี่คือสิ่งที่เราทําได้แต่บางคนกลับไม่ยอมทําถึงเวลาจะต้องแยกตัวไปอยู่คนเดียวก็ไม่ยอมไปยังอยากจะอยู่กับครอบครัวอยู่อยู่กับเขาก็เอาเชื้อแพร่ให้กับเขาทั้งนั้นเลยเราต้องยอมเสียสละถึงเวลาที่เราจะต้องแยกไปอยู่ศูนย์รักษาเราก็ต้องไปเ่อไปถ้ามันระบาดเยอะๆโรงพยาบาลรับไม่ไหวอ่ะ เขาว่าต้องสร้างโรงพยาบาลฉุกเฉินขึ้นมาเอาเอาคนที่มีโรคชนิดเดียวกันนี้ไปอยู่ที่เดียวกันแล้วหลังจากสิบสี่วันถ้าไม่ตายก็หายร <c oughs> <c oughs> ไม่มียารักษาอ อ, อก็มีแต่เพียงแต่ยาช่วยบรรเทานึ่งแต่ไม่มียาที่จะฆ่ามันได้ต้องอาศัยภูมิต้านทานของโลกของร่างกายที่จะต่อสู้กับมัน ถ้าสู้ได้ก็เดี๋ยวก็หายภายในสิบสี่วันก็รอดเนี่ยก็ตามสถิติตอ น, นนี้เขาบอกว่าตอนนี้ติดเชื้อสองแสนคนที่ติดเชื้อที่สองแสนทั่วโลกเนี่ยตายไปแปดพันถ้าดูตามตามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ร้อยละสองร้อยละสี่เนี่ยร้อยละสี่สองแสนแปดพันหนึ่งแสนสี่พันเน่หนึ่งร้อยก็สี่คน ก็แค่สี่คนในร้อยทางหัวยยังยังถูกยากกว่าอันนี้ง่ายกว่าก็คิดว่าเราอย่าไปเป็นหนึ่งในสี่ก็แล้วกันขอให้เราเป็นหนึ่งในเก้าสิบหกก็แล้วกันแล้วสถิติก็คือคนที่ต่ำกว่าหกสิบนี้รู้สึกจะหายหมด่ะคนที่เสียชีวิตนี้จะเป็นพวกหกสิบขึ้นไปคนแก่และคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว คนที่มีโรคอยู่แล้วคนที่ต้องไปโรงพยาบาลประจาเพื่อไปรักษาตัวเนี่ยตรงนี้จะไม่มีภูมิต้านทานสู้โรคไม่ได้ที่จะเสียชีวิตก็จะเป็นคนสูงอายุคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราถ้าเราไม่อยากให้เขาเสียชีวิตเราก็ต้องอย่าไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นถ้าเราเป็นเราก็ต้องไปปีกวิเวกถ้าเราถ้าต่อไปถ้ามีวิธี ตรวจโรคตรวจได้ก็ไปตรวจกันถ้าไม่ต้องเสียเงินหร้อถ้ามันราคาไม่มากเกินไป<ม>ไปตรวจได้ก็ดีจะได้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนี่คือสิ่งที่เราทําได้นะแต่จะมาวุ่นวายมาเครียดกับมันมันไม่เกิดประโยชน์อะไรใช้เหตุผลใช้ความจริงมามามาม า, มาคิดดีกว่าคิดความเป็นจริง ว่าโอ้มันก็ร้อยละสี่เท่านั้นเองร้อยคนก็มีสี่คนที่จะต้องตายแล้วถ้าดูสถิติการตายของตอนที่ไม่มีโรคระบาดมันก็ตายกันอยู่แล้วไม่ใช่แล้ววันวันหนึ่งมันก็มีคนตายอยู่ทุกวันอยู่แล้วเอตายจากงานสงการเยอะกว่าไม่เห็นตื่นเต้นตกใจนะสงการนี่ตายทีกี่คนห้าร้อยหร้อยคนปีใหม่ตายทีกี่คนห้าร้อยหกร้อยคนนี่โควิดตายไปกี่คน ตายกันไม่แค่าสามคนมั้งโอ้ยวุ่นวายกันมากกว่าตายแบบสงการตายแบบปีใหม่เะอีกลองใช้ปัญญาทบทวนดูบ้างสิคิดดูบ้างแล้วมันจะทำให้เราตืนรู้ว่าเราเตื่นตนกมากเกินไปโดยใช่เหตุเรามีวิธีที่จะรับมือกับมันได้พยายามพักผ่อนหลับนอนนั่งกายให้สมบูรณ์ให้แข็งแรงให้มี มีกำลังต้านทานโลกได้อย่าอดตาหลับขับตานอนอย่าดูหนังเพลินจนกระทั่งไม่ได้มีเวลานอนเพราะเวลาตื่นต้องรีบตื่นไปทำงานก็ออนอนหลับไม่พออย่างนี้จะเป็นคนที่มีภูมิต้านทานน้อยสังเกตดูเวลาเราเป็นหวัดเป็นไข้กันก็เพราะบางทีเราขาดนอนกันพอขาดนอนหน่อยปั๊บเดี๋ยวเป็นละเพราะภูมิต้านทานของร่างกายมันอ่อน อ, อย่างหนึ่งที่จะช่วยก็คือให้ร่างกายมันร้อนอย่าให้มัง่งอย่าให้ร่างกายมันเย็นนให้ร่างกายมันร้อนเวลาเหงื่อแตกเนี่ยไข้มันไม่ค่อยเป็นอะ่ะแต่ถ้าเวลาร่างกายเย็นนี้มันจะเป็นไข้ได้ง่ายกว่าเท่าที่เราสังเกตดูเวลาเป็นไข้นี้ยบางทีเราคุมหัวเลยนั่งสมาธิให้ให้เหงื่อแตกพักนะพอเหงื่อแตกพักออกมาจากสมาธิไข้าหายเลยไม่ต้องกินยา นปฏิบัตินี่แหละธรรมโอสถดีพยายามสร้างอุณหภูมิให้กับร่างกายให้มันร้อนให้มันเหงื่อแตกพักเวลามีไข้เนี่ยนั่งนั่งคุมหัวเลยนั่งพุโทโธพุโทโธไปให้มันเหงื่อแตกพักไปรับรองได้พอเหงื่อแตกออกมาแล้วทีนี้ไข้มันจะเบาลงทันทีถ้าไม่หายหมดมันก็จะเบาลงไปนี่เรามีวิธีการสู้กับไข้ได้นะ พระเขาพระนี่รู้กันเพราะพระนี่ไม่มียาเวลาท่านไปปฏิบัติในป่าในเขาเลาท่านเป็นไข้กันท่านก็ใช้การ น, นั่งสมาธินี่สู้สู้กับทุกขเวทนาสู้กับไข้นั่งให้มันเหงื่อแตกไปทั้งร่างกายเลยผ้าจีวรนี่เปียกทั้งตัวเลยพอออกมาเนี้ยจิตนี้นิ่งสงบโลกก็ไข้ก็เบาหายไป นี่คือสิ่งที่เราทําได้กันอย่าไปเครียดอย่าไปคิดให้มันเครียดไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาเครียดต้องหยุดมันเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าได้ถ้าไม่หยุดมันเดี๋ยวจะเสียสติคนคิดมากๆแล้วมันความคิดมันไม่มันไม่มีทางออกถ้ามันคิดแบบไม่มีสติไม่มีปัญญามันคิดแล้วมันจะเครียดแล้วมันจะทาให้เกิดอาการคล้ายคนเสียสติได้ ยันพยายามมาฝึกสติกันฝึกสติทำใจให้สงบก่อนในขั้นที่ขั้นที่หนึ่งเขั้นที่หนึ่งต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆแล้วก็นั่งสมาธิให้มากๆเวลาออกจากสมาธิมาก็ฝึกสติต่ อ, อยังไม่ต้องไปทางปัญญาเอาสตินี้ให้มันมีกำลังมากๆ พอเวลาจิตเริ่มฟุง้งเริ่มเครียดก็กลับเข้าไปในสมาธิก่อนใช้วิธีสมาธิบำบัดไปก่อนจนกว่าเราจะชำนาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการทีนี้เราก็มาหัดใช้ปัญญาบำบัดความทุกข์ต่อไปปัญญาก็จะสอนว่าความทุกข์ใจของเราเนี่ยมันเกิดจากความเครียดของเราเองความเครียดของเราก็เกิดจากความอยาก อยากไม่ให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราก็ต้องมองความจริงด้วยปัญญาว่าแล้วร่างกายมันทำให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่าก็ทำได้บางเวลาแต่ไม่สามารถทำได้ทุกเวลาถ้าทำได้ทุกเวลาก็ไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีร้านขายยา ที่มันมีร้านขายยามีโรงพยาบาลมีหมอ mm. ก็เพราะว่ามันต้องมีโรคภัยไข้เจ็บนะเะฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้มันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันจะไปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นไปไม่ได้เราจะทําให้เครียดทําให้ทุกข์ไปเปล่าๆถ้ายอมรับความจริงว่าเออมันต้องเป็นเออมันจะเป็นก็ให้มันเป็นไป พอยอมแล้วจิตก็จะหยุดต่อต้านจิตหยุดเครียดพอหยุดเครียดจิตก็จะเย็นสบายให้ใช้สูตรสามหยอ่อยอมหยุดเย็นยอมยอมแพ้อย่าไปต่อสู้กับความจริงความจริงคืออนิจจงร่างกายนี้เป็นอนิจจงไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล่วงพ้นความ แก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของนายกร่างกายของขอทานร่างกายของนักบวชร่างกายของคารวะร่างกายของเศรษฐีร่างกายของคนจนร่างกายของหญิงร่างกายของชายร่างกายของเด็กร่างกายของผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทุกคนห้ามมันไม่ได้ อย่าไปอยา ก, ย, ากยอมดีกว่ายอมเจ็บดีกว่าเหมือนหมอจะฉีดยาให้อย่าไปตกใจตื่นเต้นพอหมอพูดเราจะฉีดยาเท่านั้นยังไม่ทันฉีดเลยใจทุกไปก่อนนะเครียดไปก่อนน ะ, ะก็ยอมยอมให้ฉีดเพอฉีดจริงๆมันเจ็บไหมไม่เจ็บนะเหมือนยุงกัดใช่ไหมยิกเดียวเท่านั้นเองเราต้องทําใจต้องทําใจยอมให้ได้ ยอมรับกับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดให้คิดอย่างนี้ห้ามเมื่อมเมื่อเราห้ามมันไม่ได้จะไปเครียดกับมันทำไมก็ปล่อยมันเกิดไปยินดีต้อนรับดีกว่าเขียนป้ายยินดีต้อนรับเชิญยอมแพ้ยอมคุณอยากจะเข้ามาในร่างกายเราก็ยอมให้มันเข้ามาอย่าได้ไม่ต้องมากังวลใส่หน้ากากคอยอะไรกันมากมายกายกอง หน้ากากก็มีไว้ป้องกันการแพร่มากกว่าการรับโรคถ้าเรามีโรคเนี่ยทั้งห่าหควรจะใส่หน้ากากเพราะเวลาเราไอาเราจามมันจะออกมาเป็นละอองแล้วมันจะไปไปติดตามพื้นตามฝาผนางังตามที่เราไปจับนะมันจะไปอยู่ตามที่ต่างๆพื้นผิวต่างๆแล้วพอเรามือไปจับเช่นไปเปิดไปจับเปิดประตูจับก้อนจับอะไร มันก็ติดมาที่มือเราเองทีแล้วเดี๋ยวเราคันไม้คันมือก็เอามาคัดจมูกก็มาเอามือมาแตะที่จมูกเรามันก็เข้าไปในในร่างกายของเราเนี่ยวิธีเข้าของเชื้อโรคเขาว่าส่วนใหญ่มันเข้ามาทางมือเราเราจึงต้องพยายามรักษาความสะอาดด้วยการเนี่ยล้างมือด้วยสบู่อยู่เรื่อย ถ้าไม่มีสบู่น้ําก็ใช้น้ํายาล้างพอเราก่อนจะเอาละหยิบเข้าปากเราเนี่ยก่อนจะมาแตะหน้าเราถามตัวเองว่าเช็ดมือหรือยังนี่วิธีป้องกันไม่ให้มันเข้ามาทางร่างกายของเราส่วนการใส่หน้ากากนี้ป้องกันไม่ให้เราไปแพร่ให้กับคนอื่นมากกว่าแต่แต่มันไม่ไปรับเชื้อโรคมาทางอากาศเพราะว่าเชื้อโรคทางอากาศมันมันอยู่ไม่ได้ พอมันต้องอยู่กับน้ําที่มันกระจายออกมาทางร่างกายพอมันออกมาปั๊บเดียวมันก็ตกลงไปกับพื้นพื้นผิวต่างๆแล้วใครไปแตะพื้นผิวเข้ามันก็เลยมีมีเชื้อโรคอยู่ในมืออยู่ในนิ้วพ อ, เ, อเนิ้วมือมาจิบขนมกินมันก็ติดเข้าไปในร่างกายหรือว่าเอาเนิ้วมือมาคัดจมูกก็มาแคจจมูกบ้างบางทีก็ตามีขี้ตาก็มา จับขี้ตาออกมั่งเนี่มันก็เอาเอาเชื้อเข้าไปในร่างกายเราผ่านมือเราเนี่ยตัวสำคัญถ้าจะต้องป้องกันโรคนี้พยายามรักษามือให้สะอาดอยู่เรื่อยๆคอยเช็ดมือคอยล้างมืออยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามีโรคเนี่ยเราต้องถ้าเรายังไม่สามารถไปปีกวิเวกได้เราก็ต้องใส่หน้ากากาเวลาไอหรือจามก็อย่าไปไอให้มันออกไปทางอากาศ ไอหรือจำใส่ผ้าเข้าไปหรือหรื อ, รอทิ้ชื่อแล้วก็ทิ้งมันือนนี่วิธีที่เราจะทำได้นส่วนทางใจเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเวลาเครียดถ้ายังใช้ปัญญาปองไม่ได้ก็ใช้สติหยุดมันก่อนนั่งสวดมนต์ไปพุโทโธพุโทโธไปทำใจให้สงบอย่าไปคิดถึงเรื่องของโลกระบาด คิดแล้วก็ไม่ทำให้เราทำอะไรได้อยากให้มันไม่แพร่กระจายก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นเหมือนทายุเนี่ยมันมาแล้วก็ให้มันมาไปเดี๋ยวมันก็พัดผ่านไปทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือชั่วมันไม่เที่ยงทั้งนั้นเน่เหตุการณ์ดีๆมันก็ผ่านไปเหตุการณ์ชั่วร้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปชีวิตเราเดี๋ยวก็ผ่านไปร่างกายของเราเดี๋ยวก็หมดไป แต่เราไม่ได้หมดไปกับร่างกายไม่ต้องไปเตือนเต้นตกใจว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เราเท่านั้นเองที่เรามาสายร่างกายพาเราไปเที่ยวกันพาเราไปหาความสุขกันพอเราไม่มีร่างกายนี้เดี๋ยวเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่อีกไปเกิดใหม่เดี๋ยว ก, ก็กลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มีโรคต่างๆรอเราอยู่ี ทุกพบทุกชาติไปเกิดไม่ว่าจะเกิดในยุคใดสมัยใดถ้ามีร่างกายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีโรคภัยใค่เจ็บตามมาทุกทุกครั้งไปถ้าไม่อยากจะมีโครคภัยไข้เจ็บก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นถ้าการจะไม่เกิดก็ต้องนีแ่แหละก็ต้องมาภาวนากันมากําจัดไอตัวที่พาให้เรามาเกิดกันไอตัวที่พาให้เรามาเกิดกันก็คือตัณหาสามอย่าง กามตัณหาความอยากเสพกามภาวะตัณหาความอยากเสพลูกประชานวิภาะวะตัณหาความอยากเสบอารูปประชานเนี่ยมันสามตัวนี้ต้องเราต้องเราต้องชอบเสพอย่างใดอย่างหนึ่งวนใหญ่ก็ชอบเสพกามตัณหากันมีพวกนักบวชท่านนั้นะที่เสพภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหาคือเสพสมาธิรูปประชานหรืออรูปประชานเมื่อเสพ เมื่อเสพสามอย่างนี้มันก็ไปเกิดในสามภพไปเกิดในกา ม, มาภพไหเกิดในรูปภพนแล้วไปเกิดในอรูปภพแล้วพอมันพอมันหมดกําลังมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาสร้างมาเสพกามใหม่มาเสพรูปปชาญมาเสประูปปชาญใหม่มันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เราต้องมาหยุดความอยากทั้งสามนี้ ด้วยการภาวานานี่ยแหละการภาวานานี้นอกจากกําจัดความทุกข์ต่างๆแล้วมันก็จะมายุติการเวียนว่ายตายเกิดด้วยนะยุติการมาเกิดแก่เจ็บตายยุติการที่เราจะต้องมาวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายพอเราได้สมาธิแล้วจิตก็จะระ ง, งับความโลภระงับความอยากทั้งสามไว้ชั่วขา่าวพอจากสมาธิมา มันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราต้องการกำจัดความอยากก็พิจารณาด้วยตาด้วยปัญญาว่าการที่เราต้องการเสรมันเป็นไตรักเป็นอนิจจังไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปกินกาแฟแล้วเดี๋ยวก็หมดไปกินขนมแล้วเดี๋ยวก็หมดไปกินแล้วก็ติดต้องกลับมากินอยู่เรื่อยๆกลับมาเดิมอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมากินมาเดิมก็อย่าไปกินมัน เอาใจเอาอุเบกขาสู้กับมันถ้าเรามีสติแล้วเราจะทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็ทำใจเฉยๆกับความอยากไป ม, มันอยากเราก็ไม่ตอบสนองมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้ามันมาชวนแล้วเราเราไม่ไปกับมันเดี๋ยวมันก็เลิกมาชวนเราไม่เชื่อลองเวลาเพื่อนฝึงมาชวนไปเที่ยวดูสิถ้าเขามาชวนครั้งหนึ่งไม่ไปชวนครั้งที่สองไม่ไปเดี๋ยวครั้งที่สามเขาไม่มาชวนแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันความอยากนี่เป็นเหมือนเพื่อนที่ชอบมาชวนเราไปหาความสุขกันไหมไปกินกาแฟไหมไปกินขนมไหมไปดูหนังฟังเพลงไหมไปงานเลี้ยงไหมไปดูละครไหมถ้าเราตอบกลับไปก็ไปกับมันไปคราวหน้ามันก็กลับมาชวนเราอีกนแต่ถ้าบอกไม่ไปเี่คราวหน้ามันก็อาจจะมาลองดูสักครั้งสองครั้ ง, ง, งถ้ายังไม่ไปอีกมันไม่มาแล้ว เราไปจะไม่มีความอยากมาชวนให้เราไปเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราเคยเสเพิรูปประชามถ้าเราไม่ไปเสพเราก็มันก็จะไม่มีอะไรมาชวนเราไปต่อไปมันก็จะไม่มีอะไรมาชวนให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายกต่อไปเนีย่ยยาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าสองชนิดเนี่ยที่สามารถแก้ปัญหาโลกแตกนี้ได้ ต้องมีสติหยุดความคิดก่อนทำจิตให้สงบให้มีอุเบกขาก่อนพอจากสมาธิก็ใช้อุเบกขาสู้กับความอยากไปด้วยการสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากได้มันนอกจากเป็นสุขแล้วมันก็เป็นทุกข์ด้วยพอเมื่อปดเสพแล้วมันจะติดเวลาอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพมันจะทุกข์เนี่ยพอเห็นทุกข์ปั๊บทีนี้มันก็จะไม่อยากจะเสพครับพอ เกิดความอยากขึ้นมาก็พิจารณาไตรลักษณพเห็นว่าเป็นไตรักก็หยุดความอยากได้พอไม่มีความอยากแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรมาดึงให้เรากลับมาเกิดอีกต่อไปความเกิดจากตันหาความอยากความความดับการเกิดการยุติการเกิดก็ยุติได้การเห็นไตรลักในไตรภพนี่เห็นว่าไตรภพการมภพรูปภพอารูปภพนี้อเป็นทุกข์ เป็นพบที่มีเกิดแก่เจ็บ ต, ตายมนต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วต่อไปก็จะไม่มีการที่อยากจะกลับมาเกิดเด็กต่อไปอยู่กับอุเบกขาอยู่กับความเฉยๆนี่แหละเป็นสุขอย่างยิ่งมารนมาสุขที่แท้จริงก็คือจิตที่เป็นกลางนี่แหละเป็นจิตที่ไม่มีความรักชังกลัวหลงเป็นจิตที่มี ความว่างอยู่ในใจว่างจากความอยากทั้งปวงว่างจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากทั้งปวงเมื่อไม่มีความทุกข์จิตก็มีแต่ความสุขบรลมมาสุขนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นที่พึ่งของเราธรรมโอสดพุทธทางธรรมังสังขังสรานังกัจฉามิเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้ เวลามีความทุกข์ใจรีบกลับมาหาพุทโธธรรมโมสังโฆบริกรรมเจริญสติเจริญปัญญาแล้วความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเนย่าหายไปถึงแม้ว่าโรคระบาดมันจะไม่หายมันก็ไม่มาทําให้เราวุ่นวายใจได้เพราะเราพร้อมที่จะรับมือกับมันแล้วแต่มันอยากจะเข้ามาในร่างกายห้ามมันไม่ได้ก็ให้มันเข้าไปร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เดีวก็ต้อง ส่งให้สับไปเลยอยูด่ดีจะส่งเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ไม่ช้าก็แล้วก็ต้องส่งไปถ้าเราพร้อมที่จะส่งแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเรารู้ว่าฝืนความจริงไม่ได้ฝืนแล้วจะทุกข์ถ้าไม่ฝืนแล้วจะเย็นจะสงบั้นให้เรามายอมหยุดเย็นกันดีกว่ายอมหยุดเย็นด้วยสติด้วยปัญญาถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญามันจะไม่ยอมหยุดมันจะไม่ มันจะไม่ยอมจะไม่หยุดจะไม่เยน็นนี่คือเรื่องของสาระที่พึ่งทางใจที่เอามาฝากทั้นในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวารวะ า, าปุราปาริปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิทิตังปติตังตุมหังกิปเมวะสมิจจตุสัพเพโปเลนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณีโชติอารโสยธาสัพพิตโยวิวาจจานตุ สัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีริสะนิจจังุทธาปจายโนจตารโอธรมมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีอยากใครมีคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะจะมีต้องภารกิจอย่างอื่นต้องทำจะไม่สงบอยากจะถามถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก Facebook 606, YouTube 362, วยิิุยูออนไลน์14ผู้รับฟังบนนี้ห5รวม1037นท่านค่ะเ okay. จนถามได้ไหมคำถามจากคุณเบนจวรรณหนูเพิ่งรู้ตัวเองว่าตัวเองมีความรักและความโกรธพ่อซึ่งมันทำให้หนูทุกข์ใจมากหนูอยากหยุดความทุกนี้หนูควรทำอย่างไรเจ้าคะ อก็พยายามนึกถึงพระคุณของพ่อเลยพราะเรามีพระคุณกับเราขาดพ่อขาดแม่เราก็มีเราไม่ได้เราก็จะไม่เราก็จะไม่โกรธท่านถ้าเราไปคิดในเรื่องที่ท่านทำให้เราโกรธเราก็จะโกรธเอ็นให้เราคิดถึงเรื่องที่ท่านมีพระคุณกับเราที่เหนือกว่าสิ่งที่ท่านทำให้เราโกรธสิ่งที่ท่านทำให้เราโกรธเป็นเรื่องจิ๊บจ้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านทําให้กับเราเราก็จะไม่โกรธท่านเราก็จะรักท่านเจะผู้ไม่ประสงค์ออกนามคบคนเช่นไรจะเป็นคนแบบนั้นหรอคะก็ในลักษณะนั้นนะเธอชอบคบคนกินเหล้าเขาก็จะชวนเราไปกินเหล้าเนะี่ยคบคนชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราเที่ยวคบคนชอบเล่นการพานันเขาก็จะชวนเราเล่นการพานันเนีย นีน่ลักษณะเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าคบคนหล่อแล้วเราจะหล่อตามเขาคบคนสวยแล้วเราจะสวยตามไม่ใช่นะเกิดพฤติกรรมจะเหมือนเขาเขาทำอะไรเขาก็จะชวนเราไปทำแบบนั้นมีคำถามต่อเจนค่าขอกับเรียนถามพระอาจารย์นะคะสำหรับคนที่ต้องอยู่ดันหน้าคะ่ะ สำหรับในการสู้กับปัญหาโควิดตอนนี้ค่ะ<อ>คือนอกจากจะมีสติกับสิ่งที่ทำอยู่กับปัจจุบันแล้วค่ะ เ, <อ>เราควรจะมีทำอะไรอีกค่ะญญสำหรับความกังวลปัญญาก็คือทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นทุกคนมีขอบ ม, มีขอบเขตของการกระทำเหตุต่างๆมันมีหปัจจัยหลายอย่าง ที่มันไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราที่จะไปควบคุมบังคับได้ขอให้เราทำให้ดีที่สุดในส่วนของเราส่วนในส่วนของคนอื่นหรือสิ่งอื่นเราก็ห้ามไม่ได้ช่วยไม่ได้เพนัอะไรจะเกิดมันไม่ได้เกิดอยู่ที่เราคนเดียวเพราะมันมีเหตุปัจจัยหลายด้านด้วยการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเะั้นถ้าสิ่งใดที่มันอยู่เหนือวิสัยเราเราก็เราก็ต้องปล่อยไป ให้ปล่อยให้มันเป็นไปตามวิสัยของมันไปเราไปเครียดไปทุกปรไปอยากมันก็ไม่ทำให้เปลี่ยนแปลงอะไรแ เ, เราทาส่วนของเราให้ดีที่สุดทำด้วยสติด้วยปัญญาความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาเราก็ใช้มันมีสติใจอย่าลอยใจอย่าเครียดใจต้องนิ่งใจต้องเย็นแล้วผลได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ปัจจัยอย่างอื่นด้วย อยู่ที่ล่คนไข้ด้วยว่าเขามีแรงต่อสู้หรือไม่เมื่อเขาไม่มีแรงเราช่วยเขาแล้วเขาก็ยังสู้ไม่ไหวก็ต้องก็ต้องยอมรับความจริงไปไปเสียใจก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปโทษตัวเราก็ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเราบกพร่องเราก็ต้องปรับปรุงนั้นนันเองถ้าเราคิดว่าเราบกพร่องเราก็ปรับปรุงไปแต่อย่ามาเครียดอย่ามาเสียใจไม่เกิดประโยชน์อะไร นะถ้าเครียดเสียใจกับพุโทโธพุโทโธหยุดมันไปหยุดคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเครียดถ้าทาได้เท่านี้แล้วมีอะไรอีกไหมําถามต่อไปคุณสุภชัยขับรถอยู่สนักวิ่งตัดหน้ารถเราแล้วเราทับสนักตายบาปไหมครับถ้าบาปบาปมากไหมครับไม่บาปหรอกเราไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจ เป็นเรื่องของเรื่องสุดวิสัยทั้งเขาทั้งเราเขาก็ไม่คิดว่าเราจะวิ่งมาทางนี้เขาก็กเขาก็วิ่งมาทางนี้เราก็ไม่คิดว่าเขาจะวิ่งมาทางนี้เราก็วิ่งมา <laughs> มันก็เลยชนกันทับกันตายไปนี่ไม่มีบาปไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจไม่บาปคุณภัยทูน สีลข้อเจ็ดในสีแปดห้ามร้องเพลงเต้นรำเล่นดนตรีทั้งทำเองและดูผู้อื่นทำข้อนี้ท่านห้ามเฉพาะร้องเพลงฟอนรำเล่นดนตรีเท่านั้นใช่ไหมครับทั้งหมดเนะ่ยอะไรที่เป็นบันเทิงอะไรต่างๆอนนี้นแต่สวดมนเพลงก็ไม่ควรสวนเนะนี่ยอยนี้ก็มีบทสวดน ม, นมนเป็นเพลงนี้ก็ไม่ควรสวดนะมันก็ยังเป็นการเสพการเสพเสียงเพลงอยู่นะ นั่นก็คือไม่ให้เสพกามพื่ ง, ง่ายๆไม่ให้เสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆด้วยวิธีการต่างๆคุณ a อ k เคการฝึกกายคตานุสติถ้ามองเห็นหูได้ยินมือสัมผัสสิ่งของทุกอย่างในเวลาเดียวกัน เราควรวางจิตไว้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือให้รู้โดยรวมๆหรือควรวางจิตอย่างไรเจ้าคะก็ดูรวมๆนะดูว่าเรากำลังทำอะไรคุณจิระเดชที่ว่าอยู่คนเดียวเสมือนอยู่สองคนไม่ค่อยเข้าใจครับก็คุยกับตัวเองไงก็อยู่สองคนร่างกายอันเดียวแต่ใจมันเป็นสองทะเลาะ ก, กัน ไปเที่ยวดีไหมไม่ดีอยู่บ้านดีไหมเถียงกันไปเถียงกันมาใจเป็นสองต้องให้ใจเป็นหนึ่งให้มันหยุดคิดมันจะได้เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวแต่มันคิดแล้วมันนอกอาจากเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ก็ได้มันคิดมันสมมุติตัวคนคนนี้พูดคนนี้คิดแล้วคนนั้นก็จะคิดยังไงแล้วคนนี้จะคิดยังไงคิดอย่างนี้ มันก็ปรุงแต่งไปเหมือนคนแต่งละครเนี่ยพอหยุดคลิปปั๊บก็เหมือนอยู่คนเดียวคุณไพฑูร์ถ้าหากเราอยู่ในสถานที่คับแคบไม่สะดวกในการกำหนดทิศทางจงกรมแบบหลวงปู่ ม, มั่นคือตามตะวันออกตะวันตกตะวันออกตะวันตกหนึ่งแต่หากกำหนดไม่ได้ตามนี้เราควรเดินจงกรมในทิศนอกจากนี้หรือไม่ครับ เดินได้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆมันกำหนดไม่ได้ดีกว่านอนถ้าพูดง่ายๆระหว่างเดินจงกรมก่อนนอนก็เดินไปเถิดมันอาจจะไม่ได้ผลเต็มร้อยอย่างที่หลวงปู่ท่านแนะนำก็ได้แต่ก็ดีกว่าไม่ทำถ้าทำได้ก็ทำไปขอให้มีสติก็แล้วกันตัวสำคัญไม่ได้อยู่ทิศทางเดินทิศทางเดินดีแต่เดินแล้วใจลอยก็เหมือนกับไม่ไม่ได้เดินจงกรม ทิศทางไม่ค่อยดีแต่มีสติอย่างนี้ก็ดีกว่าเฉะนั้นอย่าดูที่ทิศทางเดิอนอย่างเดียวดูที่ตัวสติทึ่เป็นตัวตัวสำคัญในการปฏิบัติเหมือนเขาไปตกปลาเนี่ยมีมีเบ็ดดีมีอะไรดีเหยดดื่อดีแต่ตกไม่ได้ปลาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มีเบ็ดไม่ดีเหยื่อไม่ดีแต่ได้ปลาหลายตัวนี่เอา อย่างนั้นดีกว่าเอาดูที่ผลดีกว่าผลที่เราต้องการคือสตินะย้วบางนคนทําทางยงกรมมาสวยเดินมาทํายาวเหยียดเลยแต่เวลาเดินเดินเหมือนช้อปปิง้งอ้นั่นก็สวยอนี่ก็สวยอ้นั่นก็ ง, งามเดินไปปรุงแต่งไปอย่างนี้เดินไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรคุณคุณจตุพร เวลาเดินจงกรมให้เอาจิตไปจ่อกับการท่องพุทโธพุทโธอย่างเดียวโดยไม่ต้องสนใจการเคลื่อนไหวของร่างกายใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องรู้น่ะเดินไปข้างหน้าก็ต้องมองทางด้วยว่าข้างหน้ามีอะไรมีงูเลื้อยมาหรือเปล่ามีก้อนหินอะไรแล้วเดี๋ยวเดินเผลอไปเตะมันงนี้ก็ต้องดูทางด้วยแล้วก็พุทโธไปด้วยคุณไอซ์เบอรี่การฝึกระหว่างสติปฐานสี่กับสมถะ แบบไหนสามารถฝึกสติให้นิ่งได้มากกว่ากันและส่งเสริมให้วิปัสสนากรรมฐานคะออมันแบบเดียวกันอันเดียวกันสติปัฏฐานสี่นี่มันคลุมทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาออคุณทีกาธนะสภาวะของจิตเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแต่เมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์คือ ยอมหยุดเย็นได้แล้วแต่มันก็กลับไปยึดอีกและสลับกันแพ้ชนะทำแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะยังไม่ยอมจริงเถ้ายอมจริงมันไม่กลับไปแล้วถ้ามันยอมไม่จริงเดี๋ยวพอมันคิดว่าสู้ได้มันก็สู้อีกแสดงว่ายังไม่เห็นด้วยปัญญาอย่างแท้จริงว่าทุกยังไม่เห็นทุกถ้าไปสู้กับเขาสู้ยอมดีกว่าเราจะได้ไม่ทุก คำถามต่อเนื่องค่ะและถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆตลอดชีวิตสม่ำเสมอเราจะทำจิตให้ยอมหยุดเย็นจนกระทั่งถึงวันตายคือพ้นทุก์ไหมเจ้าคะอ๋อพ้นก่อนตายเสียด้วยซ้ำไปถ้าทำจริงๆไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนเจ็ดปีก็พ้นทุกได้ไม่ต้องรอจนถึงวันตายคุณภัยทูล กระผมกำหนดคำบริกรรมอย่างนี้คือจะกำหนดเป็นวัว่าพุทธแล้วจึงกำหนดว่าโทถ้าไม่ได้ผลจะเปลี่ยนเอาพุทธโทมารวมกันคำเดียวและพยายามต่อกันไปเหมือนกับนับลูกประคำผลคือร่างกายรู้สึกผ่อนคลายลงและหายใจจะปรากฏขึ้นแล้วก็เขายัางพิมพ์ต่อมาไม่หมดค่ะเขาเพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วก็ดูลมต่อได้พอเห็นลมก็จะดูลมแทนพุทโทก็ได้ แต่ยังเห็นไม่ไมเห็นลมก็ใช้พุทธโธไปก่อนคุณสุวพัฒหากเราไม่ได้ทำเหตุแห่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและได้ดูแลรักษาคนเจ็บป่วยมาตลอดหากได้รับเชื้อไวรัสโควิดเราเจ็บป่วยเพราะเชื้อนี้หรือไม่คะน อ, อ่นางกายถ้ามันมีภูมิต้านทานมันก็ไม่เจ็บก็ได้ ถ้าไม่มีภูมิมันก็ต้องเจ็บนะมันไม่เกี่ยวกับกรรมแล้วนนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายคุณชลิตชบามีจิตใจว้าวุ่นเวลานั่งภาวนาหรือเดินนั่งนอนค่ะเพราะไม่มีสติไงขาดสติเมื่อไหร่จิตก็หมุนเตี้วเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขาพอมีสติก็เหมือนรถที่มีเบรกเหยียบมันอนยังพอ จิตเราฟุ้งซ่านเราก็ต้องพยายามเจริญสติสู้กับมันพุทธโธสู้กับมันสวดอิติปิสโสสู้กับมันไปอย่าอยู่เฉยเฉยอย่าไปดูจิตอย่าไปดูความคิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งดูยิ่งคิดใหญ่มันไม่หยุดคิดถ้าดูแล้วหยุดคิดได้ก็ดูถ้าดูแล้วหยุดไม่คิดหยุดคิดไม่ได้ก็ต้องใช้การสวดมนต์ใช้การบริกรรมไปคุณโอ๊ต นั่งสมาธิมาสี่ปีแล้วครับอยากจากที่เอาสติจับที่จมูกผ่านไปสองชั่วโมงมันเลื่อนไปอยู่ที่ความเจ็บปวดแทนเราจะเพ่งไปที่ความเจ็บปวดหรือมาดูลมตามเดิมครับแต่พอเพ่งไปที่ความเจ็บปวดเพ่งไปตรงไหนมันร้อนเหมือนไฟจะไหม้ตรงนั้นครับควรจะต้องทําอย่างไรดีครับก็ได้ทั้งสองอย่างอยู่ที่ลมต่อก็ได้ถ้าเพ่งไปที่ความเจ็บปวดแล้วรู้สึกว่ามันร้อนก็ลอง นึกภาพว่ามันเป็นเหมือนไฟเผาร่างกายเราไปเหมือนตอนที่ร่างกายตายเขาก็เอาร่างกายเข้าไปในในเตาพอไฟมันก็เริ่มเผาร่างกายขณะที่นั่งอยู่ตอนที่ยังไม่ได้เผามันก็ยังนั่งอยู่พอถูกไฟลุกท่วมทั้งตัวเดี๋ยวพอมันไหม้หมดร่างกายมันก็จะฟุบลงไปกลายเป็นดินไปถ้าทําอย่างนี้ได้ก็จะเห็น เห็นการแยกของจิตกับของของร่างกายของเวทนาจิตก็จะเป็นผู้รู้ผู้เห็นเห็นว่าร่างกายนี้มันก็เป็นดินดีๆนี่เเป็นส่วนหนึ่งของพื้นดินที่เรานั่งอยู่เนี่ยส่วนเวทนาก็เป็นเหมือนไฟพอร่างกายมันกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วเวทนามันก็ดับไปเองอันนี้ก็ทำได้อันนี้เรียกว่าแยกแยกจิตแยกกายแยกเวทนา ด้วยการใช้ภาพของความเจ็บที่มันเจ็บตรงจุดไหนเป็นจุดเริ่มตน้นที่ว่ามันจุดไฟที่ตรงจุดนั้นแล้วก็ให้ไฟมันเริ่มขยายกว้างออกไปทั่วสะพางกายเผาท่วมร่างกายไปเลยจนกระทั่งร่างกายฟุบลงมากลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นดินไปเพราะนั้นจิตจะปล่อยวางร่างกายเพราะไม่มีร่างกายให้เกาะติดแล้ว ร่างกายกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นดินที่เรานั่งอยู่นั่นแหละแล้วจิตมันก็จะแยกออกจากกายเวทนาก็จะดับไปแล้วตอนนั้นจิตก็จะสงบแบบไม่เคยสงบมาก่อนสงบแบบโลกนี้เหมือนก็ไม่มีอะไรเลยว่างไปหมดวังเวงไปหมดเพราะมันไม่มีเราไปสมมติกันขึ้นมาเองว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นนั่นเป็นนี้แท้จริงมันแค่เป็นดินน้ำลมไฟ คุณทวิชาการมีสติเห็นกายที่เดินใจที่คิดกับพยายามมีสติบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจหรือพุโทโธแบบไหนได้ผลดีกว่ากาันคะก็แล้วแต่ลองใช้ได้ทั้งถ้ามันมีอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าดูร่างกายก็ดูถ้าเดินก็ดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายถ้าดูลมก็ต้องดูตอนที่นั่งจะจะเหมาะกว่า ถ้าดูช่วงอื่นจะดูลมได้ยากกว่าถ้าใช้พุทธโธก็ใช้ได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเดินยืนนั่งงั้นก็แล้วแต่เราจะชอบใช้แบบไหนก็เลือกใช้ได้เป็นกรรมฐานเครื่องผูกใจทำใจให้นิ่งให้สงบได้เหมือนกันคุณกรหทัย หนูอยากทราบว่าเวลาเราทําบุญบริจาคโอนเงินผ่านบัญชีต่างๆเราต้องกรวดน้ําอุทิศ ส, ส่วนกุศลเหมือนเวลาไปใส่บาตรหรือไม่เจ้าคะโดยการกรวดน้ําเป็นการแบ่งบนให้กับผู้ร้องรับไปแล้วถ้าเราอยากจะแบ่งบุญที่เราทําก็แบ่งได้การกรวดน้ํานี้ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้ความมากรวดน้ํานี้คือการอุทิศบุญนี่บุญมันเป็นของที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เขาก็เลยให้เอาน้ำมาเป็นตัวแทนบุญให้เทน้ำจากภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่งก็เป็นเหมือนการส่งบุญจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งใจผู้รับก็เป็นใจแต่ตอนนี้เป็นใจที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณ น, นั่นเองเราสามารถส่งบุญที่เราได้สร้างขึ้นในใจของเราแบ่งไปให้เขาได้ด้วยการใช้คำระลึกพูดคิดในใจไม่ต้องใช้น้า ขอทิศส่วนบุญอันนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ร่วงลับไปแล้วถ้ากำลังรอรับบุญอยู่ก็ขอให้รับบุญนี้ไปได้เลยเท่านั้นก็เสร็จไม่ต้องใช้น้ำถ้าไม่อยากจะอุทิศก็ได้ถ้าขี้เกียจไม่รู้จกักใครก็ไม่ต้องอุทิศก็ได้คุณเยาวลักษณ์เพิ่งเริ่มฝึกสมาธิค่ะแต่พอนั่งไปสักพักชอบเห็นว่าไปในที่ต่าง นั่นหมายความว่าจิตเรายัางไม่นิ่งใช่ไหมเจ้าคะใช่สติเรายัางน้อยไปยังควบคุมจิตไม่ได้เราต้องกลับมาที่พุทโธพุทโธพุทโธกลับมาที่ลมหายใจอย่าปล่อยให้จิตนั่งโดยไม่มีอะไรคอยควบคุมจิตพอไม่มีอะไรควบคุมปับ๊บมันก็จะไปปุงแต่งผลิตเรื่องราวต่างๆขึ้นมาหลอกเราหมดแล้วนะ มีใครอยากจะถามอีกไหมออมีกําลังเดินมาเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินพูดเรื่องว่าอุ่นเงินทําบุญครับก็เลยอยากจะถามว่าอยากถามว่าไอ้ตอนที่เราอุ่นเงินทําบุญครับเราต้องทําให้ต้องทําใจให้ปลาโมดกับเรื่องนั้นไหมครับแบบเหมือนประมาณว่านึกถึงประโยชน์ที่เราทําอะไรเงี้ยใช่มันต้องมันมันต้องมีความรู้สึกปลาโมดมันถึงจะเกิดความสุขขึ้นมา เห็นเราต้องเลือกทําบุญที่ทําให้เรามีความสุขใจทําบุญที่เราเห็นประโยชน์บางทีทําบุญแบบถูกบังคับมันรู้สึกไม่มีประโยชน์เหมือนใครยื่นซองมาให้นมาไม่อยากจะทําเลยทําแล้วไม่ปามโมดเลยแต่ทําเพราะเหมือนกับถูกบังคับให้ทําอย่างงั้นถึงแม้จะได้บุญแต่ได้บุญน้อยกว่าความรู้สึกความสุขใจมันน้อยกว่ า, างั้นเวลาทําบุญจึงเลือกทําในบุญที่ทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจ แล้วเราจะได้แบ่งความสุขใจอิ่มใจนั้นให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้คำถามจากคุณโอ๊ตที่ถามเมื่อสักครู่นะคะถ้าอย่างถ้าอย่างนั้นผมกําหนดเป็นไฟเผาตัวเองตั้งแต่เริ่มนั่งเลยได้ไหมครับเพราะเคยกําหนดเผาทีไรจิตรู้สึกมีพลังครับได้ใช่นั้นเป็นวิธีแต่ถ้ามันไม่มีเวทนามันก็ยังไม่เหมือนจริงต้องให้มันมีเวทนาก่อน ยังเหมือมีไฟลนลนก้นก่อนแล้วก็กําหนดตรงจุดที่มันทุกข์มันเจ็บว่าเป็นเหมือนไฟกําลังเผาร่างกายแล้วก็ให้มันลุกขึ้นใหญ่จนกระทั่งท่วมไปทั่วร่างกายแล้วกําหนดให้มันกลายเป็นขี้เท่าไปให้มันฟุบลงไปกับพื้นดินกลายเป็นดินเป็นส่วนของดินไปแลตอนนั้นจิตกับร่างกายจะแยกออกจากกันอย่างชาัดเจนจะรู้สึกว่า ทั้งโลกนี้มีแต่ดินงนั้นมีแต่จิตกับดินจิตคือผู้รู้รู้ดินเวทนาก็หายไปเมื่อมันกลายเป็นดินแล้วมันก็หายไปดับไปพระอาจารย์คะขอโอกาสค่ะทีนี้แสดงว่าการทำแบบนี้คือในขณะเรานั่งสมาธิเราใช้ปัญญามาอันนี้ก็เป็น<ช>ทั้ง<ช>ปัญญาทั้งสมาธิทั้งสองอย่างมีสติแล้วก็มีปัญญาออกำหนดว่าร่างกายเป็น กำลังถูกไฟเผากําลังเป็นอนิจจังกําลังจะดับดูการดับของร่างกายก็เป็นการใช้วิปัสสนาควบคู่ไปกับการใช้สติขอบพระคุณค่ะคําถามจากคุณไอซ์เบอรี่การเข้าสู่ความว่างควรมีสติรู้ทั่วร่างกายว่ากําลังนั่งอยู่ไหมคะหรือว่าควรทําให้ร่างกายหายไปเลยแบบไม่รู้สึกตัวว่า จิตว่างอยู่มันจะว่างต่อเมื่อเรามีสติอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมไม่ไปคิดปรุงแต่งพอมันหยุดคิดปรุงแต่งจิตก็จะว่างขึ้นมาเราไปคิดให้มันว่างไม่ได้เพราะคิดให้มันว่างมันก็ไม่ว่างแล้วเพราะความคิดมันต้องหยุดคิดเท่านั้นมันถึงจะว่างจะหยุดคิดก็ต้องมีอะไรผูกใจไม่ให้ไปคิดเช่นมีลมหายใจหรือมีพุโทโธผูกไว้มันก็จะหยุดคิด พอหยุดคิดแล้วมันก็จะว่างขึ้นมาเองว่างตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่างตามความคิดไปนั่งคิดว่างว่างว่างว่างเมื่อไหร่จะว่างทีว่ยมันก็ไม่มันว่ามันจะว่างก็ต่อเมื่อเราไม่ไปคิดมันม่ไปปรุงแต่งหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็จะปล่อยให้กลับบ้านนะก็